หลวงพ่อเทศปิดคอร์สลานธรรมกลางนาเมืองแม่ห้องสอนวันที่9กันยายน2558พุทธภาษาไทยใหญ่แปลว่าเห็นรู้ภาษาไทยแปลว่ารู้ตื่นรู้อะไรตื่นอะไรถ้าไม่รู้ความหมายพูดอยู่ก็โ ง, ง่พูดอยู่ไม่รู้พุทธนอนหลับไม่มี พุทธะตายไม่มีไม่ตายไม่หลับไม่หลับไม่ตายจึงตื่นตื่นเป็นอะไรเป็นอนัตตาตื่นรู้อะไรรู้ว่าขันธ์ของเราเป็นอนัตตาภาษาไทายญ่ว่าเห็นรู้เห็นรู้อะไรเห็นรู้ทุกขสัจจรู้ทุกขสัจจะว่าบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาคาไทยใหญ่ รู้ว่าไปตรงๆผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกบานพระพุทธเจ้านั่งอยู่องค์เดียวนอนอยู่องค์เดียวฉันอาหารก็ฉันองค์เดียวแปลกประหลาดไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวบ้านมีลูกมีหลานมีสามีนอนรวมกันเป็นกองพระพุทธเจ้าเห็นรู้เมื่อไห ร, ร่พระพุทธเจ้าเห็นรู้เมื่อวันเพ็ เดือน6วันสําคัญของพระพุทธเจ้ามีสวันคือ 1. วันที่พระพุทธเจ้ารับพยากรณ์ 2. วันที่พระพุทธเจ้าประสูตร 3. วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม 4. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิ พ, พานวันวิสาขะวันวิสาขะเป็นวันนาวิสาขา คนไทยเอาของพราห ม, มาในทางศาสนาพราหมณ์จะเรียกว่าวันวิสาขบูชาเนื่องจากในวันนั้นจะเป็นเวลาที่พระจันทร์อยู่ตรงศีรษะของเราและมีกลุ่มดาวนคตะเลิรทั้งหมด27กลุ่มเข้ามาล้อมรอบดวงจันทร์นักคารเลอรคือกลุ่มดวงดาวที่ศาสนาพราหมณ์ใช้ดูเพื่อจะทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เวลาที่กลุ่มดาวมาล้อมรอบดวงจันทร์จะมีความงดงามมากเหมือนเวลาที่นางวิสาขาได้อยู่ท่ามกลางลูกหลานที่มีจำนวนมากถึง 2,220 คนซึ่งเป็นที่มาของชื่อวันวิสาขาบูชาประวัตินางวิสาขาเป็นอย่างไร 1. อายุเจ็ดปีได้โสดาบันสอง อายุ16ปีแต่งงานสามมีลูกชาย10คนหญิง10คนสี่มีหลาน200คนห้ามีเหลน 2,000 คนหกมีกำลังมหาศาลเท่ากับช้างไพร5ตัวเจ็ดนางวิสาขาไปวัดวันละ3ครั้งไปตอนเช้าเอาข้าวและกับข้าวไปใส่บาตร500ขันรถมา้า ไปกลางวันเอาน้ำส้มน้ำหวานน้ำปานะไปถวายไปกลางคืนไม่มีไฟฟ้าเอาประทีปไปถวาย 8. นางวิสาขามีลูกยี่สิบคนแต่เต้านมของนางเหมือนนมสาวใครๆก็สู้ไม่ได้นางวิสาขาเปรียบเหมือนเดือนลูกหลานเหลนเปรียบเหมือนดาวที่ล้อมรอบเดือนเวลาที่กลุ่มดาวมาล้อมเดือน หรือดวงจันทร์จะมีความงดงามมากส่วนในทางพุทธศาสนาจะเรียกวันนี้ว่าวันพุทธเพราะวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่ 1. พระพุทธเจ้ารับปยากรสองพระพุทธเจ้าประสูทธ์สพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม 4. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานธรรมคือธรรมจักร เป็นวงกลมธรรมเป็นอนัตตาจากเป็นวงกลมอนัตตาเป็นวงกลมธรรมธรรมทั้งหมดทั้งปวงคืออนัตตาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อยู่ในวงกลมธรรมเป็นอนัตตาถ้าอยู่นอกวงกลมธรรมก็เป็นอาตาัตตาตุสานิมะเป็นทุกขสัจจะ สมุทัยสัจจะนิโรธสจจาสัจจะมรคสัจจะสมุทัยสัจจะเป็นเหตุทุกข์อัตตามา n ะโลภะเป็นสมุ ท, ทยัยสมุทโยเป็นบาลีคือสมุ ท, ทยัยเป็นงานทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตายแล้วเกิดเป็นสมุทัยสัจต์อัตตานำหน้ามา n ะโลภะ ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นทุกข์ถ้าไม่ตายไม่เกิดทุกข์ไม่มีบาลีว่าสมุทยะสัต์ให้หาเห็นแล้วหาหาอะไรหาอนัตตาให้เห็นเห็นอะไรเห็นอนัตตาอนัตตาเป็นอะไรเป็นสภาวะไม่ใช่คนไม่ใช่เท ว, วดาไม่ใช่พรหมเป็นสภาวะอนัตตา ไฟน้ำลมดินเป็นสภาวะร้อนหนาวเจ็บปวดสัน่นไหวเป็นสภาวะไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้มองด้วยตาไม่เห็นตาเทวดาก็มองไม่เห็นตาพรหมก็มองไม่เห็นเป็นสภาวะสมาธิิเห็นสภาวะสมาสังกปะรู้รู้อะไรรู้สภาวะ รู้ว่าสภาวะเป็นอนัตตาก็ไปนิพพานแล้ววันเข้าพรรษาหนึ่งวันพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมอนัตตารูปขันธ์นามขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์มี28ปดวงรูปขันธ์เป็นกองทุกชาติเกิดมรณะตายรูป28ดวงถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีตาย เกิดไม่มีตายไม่มีไทยเรียกว่ากองรูปรูปขระคันเป็นอนัตตาวิญญาณขันมีสามสองดวงสรุปได้ดังนี้หนึ่งจะขุวิญญาณตามองเห็นรูปร่างไม่เห็นคนไม่เห็นเทวดาไม่เห็นพรหมไม่เห็นหมูมามา้าแมวเป็นสภาวะรูปร่างไม่มี ไม่มีสัญญาเป็นอนัตตา 2. โซตวิญญาณไม่รับรู้ว่าเป็นเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนเสียงเทวดามีเสียงอย่างเดียวถ้ามีเสียงหมาเสียงแมวเสียงคนเป็นเสียงอัตตาเสียงอย่างเดียวไม่มีสัญญาหูวิญญาณเสียงเป็นอนัตตา 3. าคานะจมูก วิญญาณรู้รู้กลิ่นเหม็นไม่มีหอมไม่มีรับรู้กลิ่นอย่างเดียวเหม็นเป็นอัตาเป็นโทสะหอมเป็นมานะเป็นโลภะเป็นอัตาหอมไม่มีเหม็นไม่มีมีใจรู้อย่างเดียวเป็นอนัตาสชจิ้วหาวิญญาณรสอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ไม่หวาน ผมไม่รู้เผ็ดไม่รู้หวานไม่รู้รับรู้รสอย่างเดียวเป็นอนัตตา 5. กายรู้อย่างเดียวไม้ไม่มีหินไม่มีพราไม่มีมีดไม่มีเป็นอนัตตา 6. มาโนวิญญาณตัดสินดีก็ดีตัดสินไม่ดีก็ไม่ดีถ้าตัดสินว่ารูปร่างสวยงามโลภะอตาเกิด ถ้าตัดสินว่ารูปร่างไม่สวยไม่งามโทสะอัตตาเกิดมนวิญญาณเห็นรู้ดีปากพูดดีกายทาดีมนวิญญาณเห็นรู้ไม่ดีปากพูดร้ายกายทาร้ายคนไทยและคนพม่าว่ากายกรรมวจีกรรมมนกกรรมเรียงอย่างนี้ไม่ถูกต้องผิด พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมนโนใจเห็นถูกต้องพูดถูกต้องทําถูกต้องมนโนใจรู้ไม่ถูกต้องพูดก็ไม่ถูกต้องทําก็ไม่ถูกต้องคนไทยและคนพม่าว่ากายทําผิดพูดผิดใจคิดผิดพม่าคนไทยไทยใหญ่เปรียบเหมือนนก้างข่าว ยืนเอาหัวลงข้างล่างพระพุทธเจ้าท่านสอนเปรียบเหมือนนกยืนเอาหัวขึ้นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมถ้าหัวหน้าหรือผู้นำนำผิดเราก็ทำผิดตามคนไทยไทยใหญ่คนลาวเหมือนกันหมดคนเมืองก็เหมือนกันคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดเหมือนกันหมด ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราก็ไปนรกให้ทุกคนรู้ไว้ให้ปฏิบัติอนัตตาตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในวันเพนเดือน8ก็ได้แสดงธรรมให้แก่บรญจวคีทั้งห้ามีท่านโคทัญญาท่านวัปปะท่านภัทธยะท่านมหานามะและท่านอสัชิ ในเดือน8แรมหกข้าไปแสดงธรรมให้กับยะสะซึ่งเป็นบุตรชายของนางสุชาดาผู้ซึ่งเคยถวายข้ามบทุกปายาตและในเดือน8แรมเจดข้ายะสะและสะหายห้าส้าคนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รวมพระอรหันต์มีห0สบองค์และเมื่อรวมพระพุทธเจ้าด้วยจะมี61องค์เศรีนันทิยะ ได้สร้างวิหารศาลาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์รวม61องค์ได้จำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นเวลาสมเดือนในวันเพริญเดือน11เอเป็นวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าได้แสดงประทมโอวาทคือ 1. พุทโธโพติยม 2. มุตโธโมติยม 3. ตินโนตายัม 1. พุทโทโภติยัมสัจจะสี่นี้ที่เรารู้เข้าใจแล้วไปสอนผู้ที่ถวายกุติอาหารผ้าหม่มยารักษาโรคปัจจัยสี่แก่เราให้เขาได้เข้าใจสัจจะสี่เหมือนเราให้พระอรหันต์แต่ละองค์แยกย้ายกันไปเผยแพ่ธรรมะสัจจะสี่สอง มุตโธโมติยมพระพุทธเจ้าให้สาวกทั้ง60สองค์ไปแสดงธรรมให้แก่คนที่หลงอยู่ในวัตตะสงสารคือรรมีไม่เห็นทมจริงไม่รู้เพื่อให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นเหมือนกับเราที่หลุดพ้นแล้ว 3. ตินโนตายยมการเมาวิ่งคือมัวแต่ยุ่งกับการทำมาหากิน การตายเกิดตายเกิดเราได้ผ่านแล้วสิ่งที่เป็นกูได้หมดไปแล้วเราก็ได้ผ่านแล้วทำมีไม่เห็นทำจริงไม่รู้เราได้ผ่านสภาวะไม่รู้นั้นไปแล้วให้ไปแสดงธรรมให้กับคนที่ถวายอาหารเสนาสนะยาให้เขาผ่านเหมือนเราให้สาวกแยกย้ายกันไปเผยแผ่ธรรม ในสมัยพระพุทธเจ้ากสปะมีอนาคามีหนึ่งองค์ชื่อคทติปาละคทติปาละนี้มีกิเลสแดตัวยังเหลือทีนะกับมานะอย่างละครึ่งทีนะคือความง่วงเหงามานะคือกูมีคทติปาละมีสหายชื่อว่าโจติปาละและได้ตกลงกันว่าหากใครพบกับของดีก่อนให้มาบอกกล่าวกัน และเมื่อคติปาระได้ไปพบกับพระพุทธเจ้ากัสปะจึงได้มาบอกกล่าวกับสหายโจติปาระในขณะที่เล่นน้านั้นว่าสหายข้าพเจ้าได้พบของดีแล้วจะไปหรือไม่ไปด้วยกันผ่านไปได้สามวันเมื่อโจติปาระไม่สนใจคติปาระจึงได้ดึงมวยผมของโจติปาระแรงๆและถามว่า จะไปหรือไม่ไปพบพระพุทธเจ้าโจติปาระคิดว่าถ้าไม่ใช่ของจริงคัติปาระคงไม่ทำกับเราขนาดนี้จึงตอบไปว่าไปก็ได้เมื่อไปพบพระพุทธเจ้าโจติปาระก็ตอบว่าว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าไปพบพระพุทธเจ้าฉันจะไม่กลับแล้วฉันจะปวดอยู่ที่นี่คัิปาระ จึงได้เป็นผู้ถวายพัตรไตรแก่พระโจติปาละคนไทยและคนพมา่าบอกว่าผู้หญิงห่มจีวรไม่ได้จะตกนรกพระผู้ชายไม่ยอมรับพระผู้หญิงที่ใสจีวรไทยไม่ยอมรับภิกขุณีศาสนาว่าภิกขุภิกขุณีเป็นของคู่กันถ้าไม่มีภิกขุภิกขุณีศาสนานี้ไม่มีศาสนาจะไม่สมบูรณ์ หลวงพ่อถามพระสงฆ์ว่าผู้หญิงหมจีวรไม่ได้ใช่ไหมพระสงฆ์ตอบว่าครับหลวงพ่อถามผู้ชายหอมจีวรดีใช่ไหมพระสงฆ์ตอบว่าครับหลวงพ่อตอบว่าพระเทวทัตห่มจีวร อ, อย่างไปนรกอเวจีหลวงพ่อถามผู้หญิงที่ห่มจีวรคือเจ้าหญิงเคมาเทรีปรตาจาราและอุบลวนา เขาตายแล้วไปไหนไปอยู่นรกชั้นไหนพระตอบไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าไม่ไปนรกสักคนไปนิพพาน ห, หมดแล้วอัตตามานะน่ากลัวเลอเกินมีพระสองรูปอยู่ด้วยกันพระองค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์มีบุคคลศรัทธาว่าพระองค์นี้ไม่มีกิเลสจึงเอาเตียงผ้าอาหารมาถวาย พระอีกรูปหนึ่งจึงบอกว่าถวายเตียงไม่ดีให้นอนบนดินดีกว่าอาหารไม่ให้รับให้กินขี้ดีกว่าจีวรไม่ให้รับให้เอาใบตานหมดีกว่าพระองค์นั้นเมื่อตายไปแล้วตกนรกได้มาเกิดเป็นคนในหมู่บ้านนั้นซึ่งมีหมู่บ้าน500ห้าร้อยรังคาคนคนนี้ถ้าไปอยู่ในหมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นจะทำมาหากินไม่ได้ และเมื่อหมู่บ้านนั้นแยกออกเป็นสองหมู่บ้านหมู่บ้านละ250หลังคาคนคนนี้ไปอยู่หมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นก็ทำมาหากินไม่ได้สุดท้ายทุกคนจึงหนีหมดเหลือตัวคนเดียวจึงไปบวชเมื่อบวชแล้วให้ไปฉันอาหารก็ไม่ไปให้ไปสวดมนต์ก็ไม่ไปอยู่แต่ในกุฏิกินแต่ขี้กินขี้ไปเรื่อยๆจนถึงสี่ิปี นอนอยู่บนก้อนหิน40ปีไม่นอนที่นอนไม่ใส่เสื้อผ้าสี่สิบปีจนพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ากินขี้ไม่ดีก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าสาเหตุที่กินขี้ก็เพราะในอดีตชาติได้ห้ามบุคคลที่ศรัทธาไม่ให้ถวายอาหารและให้ไปกินขี้จึงเป็นผลกรรมที่ได้รับไม่ได้นอนบนที่นอนต้องนอนบนหิน และไม่ได้ใส่เสื้อผ้าพระพุทธเจ้ามาโปรดและบอกว่าผิดอริยะจึงได้ขอขมาพระพุทธเจ้าและได้เป็นอรหันต์ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ให้เห็นในประเทศอินเดียคือชีปเปลือย 4-500 คนเหมือนกันกับหมาไม่ใส่เสื้อผ้าใจหมาข้าวอาหารไม่กินกินแต่ขี้เพราะผิดอริยะการปิดคอร์ ไม่ใช่ปิดอนัตตาแต่ปิดและยุติที่พวกเรามาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มให้อนัตตาอยู่กับตัวกับใจเราทุกคนเมื่อกลับบ้านไปแล้วก็ให้ ป, ปฏิบัติอนัตตาอย่างต่อเนื่อง